ได้มานมัสกตตารและมาชมสถานที่นี้ด้ียก่าเป็นมงคลในสถานที่นี้ด้วยนั้นทุกคนที่มานี้มาเทุระส่วนดีั้งนั้นจะมาเื่อื่นวันนี้เป็นวัดตา ตั้งมาประมาณในลาสั ก, กสี่จุดหัวเป็นต่าแล้วเป็นตาเป็นฤกษ์ฤทธิปราชญ์นทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาเขาไปคอยมาเยี่ยมมาแวไมาดูป่าอยนแบบนี้วันนี้มีท่านปุณิเกียรติทั้งหลายที่เราเคมาเยี่ยมวันนี้จะมาจึงขอให้ตั้งใจรับรู้ว่า อันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพธธรรมพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิทินฐานตอนนับโดยธรรมะแบบนี้พวกเราทั้งหลายมีความจำเป็นหรูว่าเรื่องสี่เราทำนั้นทุกวันนี้ตามที่อาตมาโดยปราศจากคือลูกหลกานเคยมาบวชประจาอยู่ที่นี่หลายแห่ง รู้สึกว่ามีกำลังน้อยกำลังไม่พอประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานเรายิ่งเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันทุนกวันอืมราบสารจะยิ่งน้อยลงไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องให้อัตา ม, มาหมักใจเลยเหมือนกันอเรียนรับคิดนาอยู่บ่อเหมือนกันเพื่อจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ืพูดเป็นรากฐานในประเทศชาติให้มีความสามสัคคีสมบูรณาให้เห็นความจริงใจชาติานี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่สบายพระก็ไม่สบายที่ด้วยบ้านมันจะเป็นส่วนบ้านหลังคาเป็นส่วนหลังคาชายหลังคามันดัว่วอยู่ก็ไม่สบาย อืก็เสียดไปใส่แล้วพปปอๆๆคิดจะถึงอยู่เสมอนั่นเรื่องนั้นสำคัญก็คือใน ม, มีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนในมิประเดชเรื่องมันไม่พอในยิ่งไม่ใช่เรื่องยิ่งไม่พอกับความต้องการของเราทุกคนอืมความไม่พอนี่ยเป็นเหตุให้เราไปเไปสียดไใส่อืมเป็นเหตุให้เราทำ ง, งานในตรงต่อหน้าที่ของเรา เพราะ น, นี่บรรทัดของเราคื อ, รร อ, อความอยากใ้กกวความอยากนี่มันสิดเนื่องหนังมันสืตัวตนในความอยากนี้จิตนามาทำห้องของเรานั้นน่ะมันใส่ความอยากอยู่ตรงนั้นมันอิ่มต้นถ้าอื่มแล้วเอาให้มันก็ไม่เอาล็อกถ้ามันจะเอาอยู่มันจะเอาอเรื่องความอยากในตัวมันอืน่มมันมันอิน่้เยอะละมันอิในความอยากมันอา่า มันเหรอครบอยากไอ้ความอยากนี่แหละเป็นตัวการที่สําคัญเราทั้งหลายสมาหลังับความอยากไม่ใช่ว่ามั้รับประทานอืมไม่ใช่ว่ามันอาศัยสิ่งทั้งหลายแบบนี้อืมความอยากเป็นตการคิดปัญหานั้นนั่นเป็นความอยากแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อเนี่ยให้ให้มันทําลายความอยาก อย่างมาเนี่ยถ้าไม่เราถ้าเราไม่อยากมามันก็ไม่เคยมาที่แรกต้งตั้งใจคือความอยากเมื่อเราอยากมาแล้ ว, ลวเรามาเห็นทีน่นี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นผู่ที่ช่วยสร้ า, ร า, างบารมีของเราสิงที่ก็ระวังความอยากในความอยากของเราในทางพุทธศาสนากรารสอนอ่างมากน้อย ความฉันโดดมัดน้อยนี่บางคนตัดสินยายยากใช่ไหม <c oughs> บางคนมักน้อยน้อยมันขึ้นอิ่นู่นน้อยด้วยกันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความฉันโดดหรือความมัดน้อยนี้ก็่เดียว่าบเที่วนที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราก็รักษาตัวเราอยู่วันนี้ทํางานในเวลานี้ผมจะเอามาันไปกอนไม่ใช่ว่าท่านเอาี้ให้รู้จักประมาณ ความพูดจักประมานนั่นประมานตัวประมานการพูดประมานการไปกัน ม, มาสารพัดอย่างความพูดจักประมานนี้เป็นเหให้บรรเทาความทุ๊บบรรเทาความหยววบบรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้รู้จักรประมานอัตมาเคยเรื่งจับยกตัวอย่างจัอย่างแมอยู่สินะัทมันหหวงข้าเอาข้าว้มันกิน กินจานหนึ่งก็ไม่พอไห้สองจานก็ไม่พอจางที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ว่ามันไม่มีท่นนอนอยู่นั่งว่าะมันจัวชั้นสี่จะเอาไปกินถึงในท้องมันอิ่มแต่ความอยากมันยังอยู่ชั้นสี่อื่นมามันจะส้างให้ดีดีดีแต่มันกินไม่ได้ยิ่คือความอยากมันยังอยู่ความอิ่มมันยินแล้วพ้อมันอิ่มนติมแต่ความอยากมันอิ่มไม่เติิ่งคือนั่นพระองค์ท่านตรัสว่า นาทีปัญหากบมานาทีแน่น้ำตรงนี้เรื่องปัญหาไม่มีแม่น้ำไม่ใหญ่เท่าปัญหาไม่กว้างเท่าปัญหาไม่ยาวเท่าปัญหาไม่ลึกกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหามันลึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าทั้งทุกอ่างอันนี้เป็นหการที่เราจะชวิดที่จะมาต่ห้มันพอสมควรว่าเมื่อเราอยู่ในโลก อยู่น้องก็ไม่สบายอยากหาเพื่อนมากๆที่อยู่เด่ยวตันเดียวเพื่อนมากมากแต่ก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายรักษาคบอย่างในโลกคือมันเป็นตองมันอยู่อย่างนี้ยุค น, นั้นพวกเราอยู่ในสุ่มของโลกนี้ที่จะให้โลกมีสบายมีสุขบริรัยความละอายความกลัวธรรมะสัญหารู้ความละอายอุตสตรคความกลัว เป็นทำที่คุ้มครองโรคอยู่เป็นอย่างดีถ้าใครมีความกลัวและจะมีความอายต่อความชั่วความผิดแล้วการงานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นคีวิตต่อทำสมบูรณ์สิมาอทำจริงจัดทําทัง้งสองประการ น, นี้เป็นทำคุ้มครองโรคคุ้มครองโรคอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัติมันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ไ อย่างพวกเมืองนอกชาวโหรเคยทากันมาว่าคุนท่านอยู่ในไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินเยะอะอาจจะมารับเป็นที่เรียบร้อยขโมยเงไทยเยอะตัว่คนเป็นขโมยไม่ใ่แบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐอเมริกาจะมีนั่นกันนะนั่นไม่ใช่ที่เมืองไทยนะค น, น, นที่มาที่สหรัันก็เป็นขโมย แกฎหมายมันดีเยอะทำมันดีอยู่อันนี้อาตมายอมรับเลยปะขโมยมันไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้ที่อสอนธรรมะเนี่สอนไม่ดีอยู่ตรงนั้นแหละแต่คนมาเป็ขโมยอันนี้ก็วมันสำคัญนั้นที่ฉะนันเรื่องความหยาบนี่มันเป็นเรื่องที่สัมผัสยังที่สำคัญที่สุดผมเชื่อเถิดว่าจะมายกถึงเรื่อ ง, งอคาางวามเราที่อยู่เป็นคุมพ้อนตอนเนี้ถ้าเราด้จยกับแบงกัน ผู้ใหญ่ปรินาผู้น้อยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่มันก็เป็นภป ร, า ร, ารา้านเหมือนกันอย่าง เ, าง เ, อเอาาาจดีบ้านหลังหนึ่งจนเจดีเอาคนใช้มาตั้งในบ้านจะว่าจะมันจะไปไดูถูกจะมันก็ไม่ได้เนาะมันก็มีดีเหมือกันคนจนเนาะร่างถ้วยก็เก็ยงหัข้าวเก็เนเนื่องเล็กเราตเกีเช็ดบ้านเราก็ยนซักผ้าตะเกีย ตัวเราไม่ซักไมเ่เป็นแถลวอย่างนั้นอันนั้นเขาดีส่วนนั้นเรดีส่วนนี้นี่จะเป็นการชวยให้ปรินาพามีให้คนจนนันจะไม่ให้คน้วยให้พวกคนรวยอย่างนั้นเป็นไรบ้านหลังที่เราอยู่นี้เราไม่มีความสามารถก็มีความสามารถจะสร้างหรอกอันนี้การสร้างจะไม่ไดะสวยดีอยู่สบา ย, ยีอันนี้สุเป็นเรื่องของท่านอัง น, นั้นคือเรื่องของเจ้านายเรื่องพ่อแม่ ปัจจุบันดูหลานเนี่ยถ้ามีคุณอย่างนั้นนี่จะนั่นคนจนคนรวยมันจะจิ้มกันอยู่างไรอืมอืมสุขสุขจะครูวาอาจารย์จิ้มกันอย่างไเราสังหลายรีตัวมันกันผันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนอยู่เดิันอย่างนั้นมีผลที่สุดมันก็เกิดแล้วมันก็แฉ่แฉะแล้วมันก็จุดจุดแล้วมันก็ตายมันก็ไปมาทํานองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหลือข้างอย่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่กจะนั่น ถ้าเราคิดนาธรรมะในความอยากโรคโมโทโซนั่นไม่จะผ่อนหนักเป็นเบาไปด้วยที่เมื่อความอยากที่มันก็คล้อยบรรเทาไปธรรมะก็ะเกิดขึ้นมาดังนั้นทุกคนที่มานี้หวังว่าต้องการความสนุกต้องการความระงัดให้เป็นภูมิมิตาอาดีอาศัยขึ้นสำเร็จการขาดคนใดคนหนึ่งยังไม่จะไปได้นันไม่สบาย ยิ่งนั่นเราเราทุกทุกคนนั่นดีทุกคนท่านต่ำก็ดีทุกคนท่านกลางก็ดีทุกคนท่านยอดมันก็ดีทุกทุกคนมันเป็นไม้ต้นหนึ่งว่ามันจะดีนะยอดมันจะดีน่ะใบมันจะดีนะมันมีมันจะเป็นนต้นยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อืแต่เห็นไหมเป็นเด็กจะอยากเป็นคนโตอย่างน้อยแตก่อนเป็นเป็คนเด็ก ปรยากเป็นโตคุนวามันสบายเมื่อโตก็จะมันสบายเหนกันนะคือคนอื่นเกาะเราเราเป็นเด็กเราเกาะคนอื่นเ้าคุณนึกว่ามันลำบากเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปนึกว่ามันสบายแต่นั่นไมเมื่อเราโตคนน่าจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันอ่าอะไรมาไว้ทิ้งทิ้งไ้มอนังขยะเจมโคหน้าเสือเหมือนถังขยะอะไรเป็นอะไรก็มาทิ้กันตรนั้นเยอาจตะมาส่งอีกดิ แล้วคยไม่เคยเอาของดีมาฝากหรอกเอาของที่มันดีมาฝากให้เก้ปไปหาให้จะ ต, ต้องการทําผิดนั่นแหละมหาการนิาอาจารย์เนี้ยให้แก้เราแก้ไม่ได้แล้วจะทําผิดจะให้แก้มันถูกไม่ได้ต้องทางําให้มันผูกสิดอื ม, อมเนะี่โดยหน้าทุเป็เงินโดยผิดอากรรมเป็นป้าเป็นเน ม, น ม, มีอันนั้นชอบทําผิดอะไรมาฟ้องจะทออําผิดไปอยากให้เราแก้มันจะแก้ไม่ได้แต่มันทําผิดจะไปทำมันสิ ม็เรื่องมันมีฉ่านั้นที่งจนั้นกาอาจมาทุกวันมีประถูกสุขภาพเท่าดุจจิตเกาหนักเหมือนกันเยอคนนู้นอยากบบได้เนาะเยอะคนนี้อยากบบได้อันนี้ใช้ละทัด่างนานไปประดีย๋ยวปวดอาจารอาจารย์มีคนเคาะเราเราก็จมพอเกือบจะตายแล้วมันมีพวกนี้จะทํางเราอย่างนี้ต้กงค่อยเห็นหต้นมันจะมีประโยชน์ลายี่มีประโยชน์ลำต้นมันจะมีประโยชน์ ทุกคนเราให้เข้าใจว่าเรามีประโยชน์ต่อกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นถึงเมืเราจะอยู่ในจีนฐามต่างๆกันตรงนั้นคนๆเดียวกันเหมือนพออัน่เดียวกันมีความวิสิอันเดียวกั น, ม น, ก น, น, กนไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเรดร้อนเหมือนกันอย่างนั้นนี่ฉะนั้นควมถถีธัรมะสิ่งสิ่ความละอายอายต่อความคิดรัวต่อความผิดนั่นแหละอืมอยึดถือคว อ, อื้อประโยชน์ ถ้าเราอายเรากลัวเ้าก็น้าที่การงานขงเรามันตัวตรงเมื่อหน่าที่การงานขเรามันตรงแล้วกปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายเท่านั้นแหละอืมื่อกินไปอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านที่เกลียดท่านใดในวันนี้จ่น้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปกินมานก็มากนีนกันเงินดีแต่เฉพาะวันยุติกลมละอาย โภตปาครกรวอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำถึงปริยะบุคคลในชาตนี้หรือชาติหน้าต่อไปได้ฉะงนั้นไอ้คำพูดในวันนี้ขอเชิญทนเสิญเศรษาสตอย่มิจิตใจของท่านทุนเกียรติทางดันเชิญศรีวิชาประพฤติปฏิบัติโดยอานาจของคุณภระศีรัตนตรัอันนี้จงปกคองป้องทานกทานทั้งหลายจงมีความยืนยันถึนสุดตลอดานานสืบโดยตลอด ผมว่านเนี่เมื่อไปทางโบสถ์ดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีจะออกจายห้องจะไปเนี่ยไปทางโบสถนี่ยรอบมาทางนี้ย้อนมาเห็นบสถ์เยอะใหญ่ครับก็ไปไ้ครับพอต้องขึ้นไปบสถ์ัร่างกายมันโค้งแล้ว นั่งตายอย่างเดียก็เลยมามันรู้ว่าและยองก็คุดข้จังหวัดและยองได้นมัสการลุงพ่อที่พโอ้ยและยองนี่รู้ว่ามองว่าจะหาเออแล้วมันเตือนมียารวมเข้าไปและยองเออยังนี้ดีพักสิึ่งจำไม่ได้นะมันหลายคนนะเออเออหรือว่ามาตรงนี้นะ เอ้ตามไาม้ตรงนี้นะอ้าวมาลูนี่มันจะไปกวดมันก็มีไหวมั้งไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณมันไม่มีดีคุณไม่มีการคุณคงจะพักอยู่หลายวันมั้ง ที่นี่ก เ, เยอะเลยงั้นจะมาไปรถไปกันดีนไหมโอ้เอ้อืมโรงขันแตงเรื่องขันมันมจางแถวด้วยสองขอบนี้ทั้งนั้นด้วยไม่จะพอกับพระที่มาลงรวมกันนี่แหละ ามารวมสานที่เดียวกันทั้งหม ด, อ, ดม อ, อันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็เพิ่มเวลาสิบางทีมั น, น้อยมันก็เร็วข้าอจารย์จะติดือกคระยังหกุั่ว่า สู่สุขภาพไม่ไม hmm? ่ไ hmm. ม่คดีเขาคีมันมีอยู่เนื้ลานนะเนีลานนี่หมายมาอืออุบวนนะฮึล้านล้านน่หมกันอ๋ออุบวนก็ต้องเห็นวัดประโคนทีหลังเขาชาวจังหวัดอินเห็นก่อนยังนอกเขาเห็นก่อน บนมีเห็นทีหลังครับอันนี้เป็นของเก่าเราไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล้างไปเรทไปหยิบมาอือขอเรือรวมมา่ขอขอกำลังแรงทหารเราสมันก่อนมันพุกมาเลยเก็บมาืม นี่ที่ผมมาทำเป็นจัดเพื่ออาจารย์ผู้ไหนออกแบบนะอารอ๋ออาจารย์บำเพ็ญบำเพ็ญครูลาศบำเพ็ญคูลาศแต่ว่ามันก็ต้องพินตนาให้ เอาสัตะ์นิชกะสะาตว์นิกมาปนกันเท่ามันจะมาเคยอยู่ในปา่าในเขาจะเอาไอ้ความรู้สึกนั้นมาปนมานปรินาให้สัตว์ปานิกเขาสูจะจะออกแบบ ม, มันามกันอย่างนี้นอะไรแบบนี้ความเป็นสามชั้นจะเป็นลายักหรือว่าเป็นนิสิกลายลัก หนึ่งวันหลายอย่างนึกถึงพอพูดถึงคุณธรรมคุณิันคุยกะบนี่อันนี้มันเป็นอย่างนี้อยากจดูแรงเือนดูแั่มันว่า ไม่สูงโตมาที่เขาไม่โตวะนม่โตวะอือก็ไต้ผู้นี้เป็นทั้งน้ำทั้งหมนอ่าอันนี้ไม่หมดบางส่วนเนี่ยทั้งน้ามันดูเต็มทั้งนั้นแต่ทีนี้กลัวว่ามันอาคานมันใหญ่โตมันจะไม่ถ้าวอนต่อไปไปเอาพอสมควร งนท้งนอกอันนี้นี่หนึ่งนี้ไหนาปออกแบบอันนี้สนิราณบางคนนีแบบโบโบยุคใหม่ตรงนี้ราประธานเ้ามาเรียนในทราบว่ามันที่นี่พิจิตเขาจะนำเข้ามาคงจะเป็นพระประธานยืนแต่ต้องทาอย่างนี้ ไม่ใ้มีฝาผนังทำโรงกุ้งเหมือนเพราะว่ายีอ่อย่างนี้ขโมยเอาของไปหมดเลยค่ะอันนี้เราจะมารับร่องันนี้คือโบสถ์กันโจรโจรมามองไม่เห็น อ, อะไรสุภาพเทานั้นแหละเนาะนี่โบสถ์นี้น อ, ะอะไรของเราเลยถ้าเราไปทาประตูปิดเนี่อนามันงั้พังหมดเลยไม่มีแล้วอันนี้ทางทางนี้มันก็จะมาดูว่านี่มีอะไรเอาไ่สุาพั้ยแต่วาต่อไม่ได้จะไหออกมา ในในอารมณนที่อ๋อมาจากที่ไนอาจารย์จิตบูบุตรเป็นผู้ออกแบบท่านสูงประมาณเท่ากีเนี่มีใหญ่อันนี้องค์จำลององคจำลองมาวจำสองมาวัด่อนนล้วก็พระท่านก็ลูกนี้ลูกนี้ัวใหญ่มีสูง ประมาณสี่นิ้่ยอยา้น่ดนเท่าไหร่ครับผมประมาณสี่ร้กว่านี้ต่ำมากเลยต้งช่วยธนาจารั์พระธาตุพนอายุเดินทนี้เดี๋ยดูกระดูม้วารอบเทงนี้กันนะมาดูข้างหลังมันดิูแล้วกะดูข้างหลังมันเนี่ยเหนี่อยกเย มันยนดีอันนี้เป็นที่ระทึกอันนี้มีคือถังน้ำที่เอาน้ำน้ำเอานี่ตอกที่นู่นเปิดซ่อไปนู่นเลยเหลือหลายนิดอืออนี้เป็นทางหลังถ้าจะสร้างลงถมุนประมาณเกือบประมาณต้องสามล้ า, ลานา โอ้หนึ่งอยู่ได้หหนโบสถ์นี่เป็นจุดทึงของวัดจกจะประตูเข้ามาในทึงตรงนี้ไปมี่ึหน่งยองทีอยู่ทั้งนี้ไม่มีทั้งขึ้นเหนือท่างขึ้นใต้นี่กะจีประมาณนี้ประมาณสักพอพระประมาณสักเจ็ดสิบกว่าหลังยอมทีก็เหมือนเหมือนเก็บพระเท่ากันเหมือ ไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นมะห่วงใหญ่ๆมัเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเราน่ะมันนีตายรับถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายเขเกิดโรคระบาดมาตายสามคนหนีในห่วงบ้านเราก็ทาที่ใหม่อีกเรื่อยไปยางไงอันนี้เ้บเ็นไม้มันปลูกไว้มันเป็นบ้านเก่าครับ สนงาได้มากนี่มันเป็นระบบเป็นอาหารของเกปตาอาหารของจัดป่า็ะดยมากทีดนี้อยู่อันนี้เป็นขางหลังเนี่ยประมาณก็สามล้าน เราไมสร้างไม่ไเลยนี่ร้าน่ค่าแรงก่อนนี่ค่าแรงเขาหนูค่าแรงเขาเก็บควรกว่าในเวลานั้นอันนี้เมื่สองปีสองปีมันอันนี้สร้างเลยสี่สี่กว่าสองปีจะส้างเสร็อันนั้น ในเพื่อนเพื่อนของคนคนนั้นคนสองคนนั้นนี่เป็นปกติหรือเฮ้ <Cuban savings. S 2> <c oughs> อันนี้ลองดูรูปยังไงดูแล้วนะจังมากต้องอาศัยคนนีอันนีน้ อันนี้จะเป็นธาตุเออดีไม่ใช่กาผรผสมแหละมันมีการผสมมีธาตุพนมไอระพูนไอข้างในมันเป็นรูปประัติของอัตมานี่ยอยู่เด่นจนโกลที่ไปปฏิบัติมันกระจกอยู่ตามต่างๆข้างในไอเป็นร่องให้ยันจิตที่ไอคุณร้ อ, องให้สาเหตุเรารู้ไหม อมันไม่อยากให้ตายไม่อยากให้ตายไม่อยากเป็นพระกันไอนรมความมันเึงนความคิดของคนง่อืมันต้องคิดของคนง่อยนั่นม่นจะควรฉลาดในความจริงนักธรมะนักพุทธศาสนาต้อควรให้มันฉลาดเราฟังธรรมกันมันก็ยิ่งมันฉลาด มันนี่เราแจงนี่นะแจงพอไปทำทำไปคูยทำ เ, ออยเรื่องอื่นเนี่ยไปคุยจนเยี่ยงเงินธนรารรคารไปคุยจนเยี่ยงหลอกเบีอะไร่ารชนิดชนิ้เ ท, ท่านั้ะลูกจะให้ลูกเคยมันจะพี่ยนไปอยู่มันโง่จนมันตายเนี่ยึนมันตายมาันก็มาร้องไห้หรือหน้าโศกยังเห็นไมในความโงต่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปทำให้จะทำไงมไม่มีใครจะเปลีย่ยนแปลงจะทำอะไรเปลียนแต่ง เน่ตายกันไปทำยอกันสิ่งเนี่ยนะูดเอ้ยไอ้คนคนนี้เป็นคนคิดดีๆเป็นคนดีนะเป็นคนอุบรรภูมิเป็นคนใจมุ่นพื้นฐานคือมันตายกันถึงดีคือมันไม่ตายมันเห็นมันดีอะไรกันหรอกนั่นคือเขย่างนั้นก็ร้องียมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคุณคิถูกแล้วถูกแร่ถูกของคุณนมันเป็นธรรม คิดเดียบนั่นเน่ยคิดจะร้องไห้อืมมันถูกทํำมะมันก็ดีแต่มันถูกความคิดของคุณมันเมื่อมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้แค่นั้นเนี่เมื่อคิดเมื่อมันมันถูกตามธรรมะแล้วคุณก็สบายใจอย่านี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้เนี่ยดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดเว่ไคุณจะร้องไห้ไปเมื่อมันเกิดมาเนี่ย เมื่อตกมาจากกลนร้องนั่งร้องไห้ทำไมอีกนะมาตายอยู่เนอะร้องไห้คงไม่ดีกว่าอันนี้มันตายเยอแต่มันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรออนตายถึงวันนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมเมื่อวันเกิดเมันนมันเกิดท ำ, นนทำไมคุณมาร้องไห้อตายนี้ทําไมคุณมาร้องไห้มันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณนับนับชีวิ A, มาจากวันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดในสิ่งนี้ อือ้คนที่ตายวันนี้คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตายตายวันนี้กต่คือมันเป็นเชือกมาเจอวันมันเกิดถึงวันนี้มันถึงตายไอ้คุณมาล้องให้ตอนนี้เหมือนเป็นบ้ามันตายไปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แพ้สิถ้าโบคผูกอะไรจนดีตายเลยไอ้ขยัคุณไปศึกษาม่ซะดีกว่า มีคนหนึ่งเป็นา่าในบวชร้ายปีนึงกันเนีคนนั่นก็คือมาหะผมได้ยินสิ่งที่ศัพผมมาไม่เชือปัญหาของคนในนี้ความสุขสบายเลยยืดหยัดมาคนน้าสักพอมาหาปลาหน้าตาไม่เคยดีโวมาจะไหนโอ้ยรวมาจากมากจะห่วงมากโอ้ยมอมผมรอดมากผมทุกมากยื่นใหญ่มาก งั้นผมเป็นพิสของ้อพ่อขอึงมาเพื่อบันเทาทุกผมผมเป็นตืบทใหญ่เลี่ยงใหญ่เลี้ยงใหญ่อะไรฟังเสพไยร์มาดีอะไรเออเฮ้ผมตายอะอรนีนี่มันเลื้ยงไหมฮะมันจะมาตกใจมันกป็นอยมว่ามันจะเรี่ยงใหญ่มาพูดให้ฟังวาเมีตายมันเลียหรือมันเลี้ยธรรมดาของเขาใครมีเคยมีเมียตายมีไห ผัวกระจายเมียกระจายลูกกระจายใครกระจายหมดมันเรื่องเล็กมันเรื่องธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเรื่องเล็กเรื่องอยู่คิดว่าจะเรื่องใหญ่ตกใจนี่อาตมาก็ยยังใจหายตอนเนีกเห็นยมมาเรื่องใหญ่ไหถามไปถามมาเลยนี่ว่ามีเรื่องคนตายมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาครับว่ามีศึมีตายเจ้คนพอเนี่พอเนี่ยหิ้งมาถมถึเรื่องธรรมดารับ ไอคุณคิดใหม่ก็คุณจะคิดแบบมันใหญ่มันจะใหญ่ที่มันเล็กมันเลยยุด ห, ห, หยุดมีก <c oughs> ารพูดใจที่ไหนทางมันจะไปคิดอย่างนั้นไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดอ้ความสบายใจเกิดขึ้นมาเพราะเหตุคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอม ในวันนั้นตไปวันนั้นม่นอ่ะีลศักิ์บอกว่าคุณมาจะกใคได้นี่ยข้ามาจากุคนนีี่เนี่เนี่ยคนที่สองออพอแล้วขนาดนั้นฉันไปกินในหมดแล้วนะ่กินจะเหได้มากมายจแล้วเนี่เออเว้ยเอ้าไม่ฟังเอาสอนหน้ามันจะไม่ไดาเรียเนี่ยน้อยมันกลับไปว่านี่ยนีมันจะหา ตอนนั้นเรานิม่ดแลอืมไมนได้หมดนะมันกคนมันม่รู้จริงจริงอืมจริงจริงแล้วก็มีจาที่คิดอย่างนี้มันจะฟุ้งอะไรนะอืมมีนต่ฟุ้งกันมาอืมบางคนบางคนก็ไปตวจตัวจดูยันพระที่มาอยู่มาสออาศัยเป็นเพื่อนกันไปทำบุญบวชย่างในป่ากันมา มาอาย่ะโอ้มาผมก็มาซึ่งบารมีท่านเล่ยช่วยช่วยอะไรผมเป็นโรคเออผมก็ช่วยได้แต่ทีว่ามันจะนําหมอมาดิสนบไปหาหมอจะช่วยยางไ้มันเป็นโรคช่วยนั้มันดูดขานก็ช่วยไม่ได้ช่วยเองผมก็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ประชุมไปหาหมอประพาเวก ไปคืนกลับมาที่เจ้าแม่ชีแน่แตัไมต้องพ่อโลกมีรักษาไม่ได้แล้วอยู่เป็นโลกมาลุนมันวมเป็นตรงนี้ป่าไม้ไฟออกเป็นโลกมาลุนแต่ก็มีบอกว่าเจ้าแม่ชีมาผมท่านแสดงตามจนไม่มาพูดันเดี๋ยนี้นักปฏิบัติมาอายุนเป็นรุ่นเดียวกันนี่แต่ไม่ใจมากเลยที่ทำในระยะมังกปนคนอ่อนหน่อ ในการไปดีแบบวันนะั้นผมอ่านมันสีอเกินมายก็เลือกมาเนะี่ยทั้งลูกจีบท่อฉันโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามันตายในนานแนละ้วผมหวาอยล่นะแต้ท่านจังใจในดีนะอบอกเขาบอกการคำหมอครับเด็กโรคมาเดิน